Book 2 4สี่สิการสอบถามทาง fro fur onweisung ขอโทษค่ะฟิชเ o วนไหมช่วยดิฉันทีได้ไหมคะกันอีไม help แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมคะออสตาร์กุย่ารีสอร์ตเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมค่ะคอนเลิ้งสไปรูตต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดค่ะตันคอนอิระขัยเฟอร์อารต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งรอยเมตรค่ะ คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้คุณขับรถตามดิฉันไปก็ได้ค a ณส o มารถไปด้ ดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะขู้นกุ้งเอกไปที่สุเกอร์สตาเดียมข้ามสะพานไปคะ่ะอิสติเยต์ที่บร็กเอร์ลอดอูโมงไปคะ่ะขอนเดียร์ที่ทุนโนขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามคะ่ะ ต่ tot de ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะอตต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไป r r tot ขอโทษค่ะดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ ฟื้ o ขึ้นไหมหรือก้มอักไบดิลาคอวะ e ิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดิน t is beter อ m m อ t die trein te gaan. ออกที่สถานีสุดท้ายอิรย์ทุกที่ล่ a สุดสตาซีคารุนาไปที่